คนแก้ทุกเพราะลาบคนเราลงได้ไม่เข้าใจเรื่องของลาบแล้วก็ทุกตลอดการคือเมื่อลาบยังไม่มาก็ทุกว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีเมื่อลาบมาแล้วก็ทุกเพราะกลัวลาบจะเสื่อมเมื่อลาบเสื่อมจริงก็ทุกว่าไม่ควรจะเสื่อมเลย และยังมีทุก์แทรกอีกอย่างหนึ่งคือทุกเพราะความไม่พอใจในลาบของตนบัดนี้ข้าพเจ้าได้นําท่านผู้ฟังสอดแทรกเข้าไปดูเงื่อนงมต่างๆในเรื่องการได้ลาบและการเสียลาบพอสมควรแล้วการเข้าไปศึกษาสิ่งเหล่านี้นอกจากท่านจะได้ความรู้แล้วยังเป็นการคลี่คลายความทุกข์ในตัวท่านเองได้ด้วย จากคำบรรยายที่ท่านได้ฟังมานี้ท่านอาจใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือแง่ใดแง่หนึ่งเข้าเผชิญกับความทุกข์ก็ได้ตามแต่ถนัดเหมือนปืนติดดาบแล้วจะยิงก็ได้จะแทงก็ได้หรือจะใช้ผ่านท้ายตีก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เหตุการณ์แต่ข้าพเจ้าใคร่จะเน้นจุดสำคัญสำคัญพอเป็นตัวอย่างต่อไปดังนี้ ตอนกลที่หนึ่งจงรับรู้วิถีทางมาของลาบหมายความว่าเราต้องรับรู้ความเป็นไปของสิ่งอื่นเสียบ้างแทนที่จะรับรู้แต่ความต้องการของตนเองสิ่งทั้งหลายที่มันจะมาเป็นลาบให้เราไม่ว่าจะเป็นเงินเสื้อผ้าของใช้สร้อยคอแหวนเพชรคู่ครอง ตลอดจนพวกพ้องและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการสิ่งเหล่านั้นย่อมมีเหตุผลในตัวเองหรือมีความเป็นไปที่เขาจะหลีกเลี่ยงเสียไม่ได้อยู่ในตัวของเขาเองทีนี้เราไม่ทราบเหตุผลของเขาเอาแต่ความต้องการของตัวเป็นเกณฑ์มันก็เลยทุกข์เหมือนผู้หญิงแพ้ท้องอยากกินมะม่วงเปรี่ยวในฤดูที่มะม่วงไม่มีลูก เดือน 11-12 ไม่ยอมรับรู้เอาเลยว่ามะม่วงลูกหนึ่งที่จะมาถึงปากถึงท้องของเรานั้นมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ต้องมีสิ่งแวดล้อมของมันอย่างไรบ้างและต้องได้ดินฟ้าอากาศอย่างไรเหล่านี้เป็นตน้นคนแผลท้องไม่ยอมรับรู้รู้อย่างเดียวแต่ว่าอยากกินเท่านั้น ทุกอย่างนี้เกิดเพราะเราเองไม่ยอมรับทราบเรื่องของเขาการอยากได้โน่นอยากได้นี่ก็เหมือนกันถ้าต่อไปเราหัดรับรู้วิถีทางของคนอื่นสิ่งอื่นด้วยใจสบายขึ้นอีกมากไม่ใช่มัวแต่นั่งร้องไห้ขี้มมกโป่งว่าหนูจะเอาหนูจะเอาของหนูนี่เหมือนเด็กไร้เดียงสาเท่านั้น วิธีฝึกคือหัดสาวเข้าไปดูว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันจะมาถึงเราได้โดยวิธีใดเดินทางใดและประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมอย่างไรการฝึกคิดอย่างนี้จะทำให้ความทุกข์ในแง่ที่ว่าเมื่อไหร่ลาบจะมาสักทีลดน้อยลงตอนคนที่สองจงจัดความต้องการให้พอเหมาะ ความสำเร็จแห่งการได้ราบจะมีขึ้นได้เพราะความเหมาะสมกันของส่วนทั้งสองคือความต้องการของเราเองกับสิ่งที่เราต้องการมันเกิดได้สัสดส่วนเหมาะเจาะพอดีๆเช่นต้องการน้ำได้น้ำต้องการข้าวได้ข้าวต้องการเงินได้เงินนี่เรียกว่าสมส่วนกันแท้ ถ้าได้อย่างนี้เป็นอันสิ้นเรื่องที่มันเป็นเรื่องเป็นตรงที่ว่ามันไม่เหมาะเจาะกันต้องการสั้นได้ยาวต้องการข่าวได้ดำต้องการคนนั้นมาได้คนนี้นี่เรียกว่าสิ่งที่ได้ไม่เหมาะกับความต้องการถ้าเป็นอย่างนี้เกิดเรื่องคือทุก์วิธีแก้ทุก ก็คือจัดส่วนทั้งสองให้มันเกิดเหมาะเจาะกันที่ที่เราจะจัดก็มีอยู่สองที่คือจัดความต้องการให้เหมาะกับสิ่งที่ได้หรือจัดสิ่งที่ได้ให้เหมาะกับความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างแล้วแต่ท่านจะเห็นว่าควรจะจัดตรงไหนในสองจุดนี้ถ้ายังตัดสินใจไม่แน่โปรดตามข้าพเจ้าไปอีกนิด ความต้องการเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาส่วนสิ่งที่จะทำได้เป็นของที่คนอื่นสร้างคือที่เกิดหรือที่ผลิตของมันอยู่คนละแห่งเราเองเป็นผู้สร้างความต้องการขึ้นแต่ผู้อื่นเป็นผู้ผลิตสิ่งที่จะสนองความต้องการให้เรามันมาคนละทางถ้าจะเปรียบก็เหมือนอย่างนี้ สมมติว่ามีนายคนหนึ่งอยู่ว่างๆก็ควักเอาดินเหนียวขึ้นมาปั้นเป็นชามออกรูปตามใจชอบปากกลมปากแบนหรือปากบิดๆเบี้ยวๆก็ตามที่ตัวชอบกรันปั้นเสร็จแล้วก็อยากได้ฝาชามมาปิดแต่ตัวเองทำฝาไม่เป็นจึงเที่ยวไปเดินหาซื้อในท้องตลาดสุดตรอกสำเพ็ง ก็ไม่ได้ฝาที่พอ ด, ดีกับชามที่ตัวปั้นขึ้นหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยเสียอกเสียใจเป็นทุกข์เอาถนัดทุกตรงที่ได้ฝาไม่เข้ากับชามท่านโปรดแนะนำแกหน่อยสิว่าทางที่ดีแกควรจะแก้ไฝ่ายไหนคือจะแก้ชามที่แกปั้นขึ้นเองหรือจะแก้ล้องตลาดให้สร้างฝาที่เหมาะขายให้แก แน่นอนชามเป็นสิ่งที่แกควักเอาดินเหนียวมาปั้นขึ้นเองส่วนฝาเป็นสิ่งที่ทำมาจากร้อยทิศผ่านทางทางที่ดีแกควรจะแก้ที่ชามของแกเองยุบมันเสียแล้วปั้นใหม่ถ้าแกจะดูชามในท้องตลาดเสียก่อนว่าเขามีฝากี่แบบกี่ขนาดแล้วปั้นชามให้มันเหมาะกับแบบของเขา มันก็สิ่งเรื่องแก่ที่ตัวคนเดียวดีกว่าไปเที่ยวแก่คนตั้งร้อยเรื่องความต้องการก็เหมือนกันความต้องการเป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาเองถ้าเราจะยุบมันเสียแล้วสร้างมันใหม่ก็ไม่มีใครว่าอะไรเหมือนชามที่เราปั้นขึ้นมากับมือนั่นแหละส่วนสิ่งที่เราต้องการนั้นเหมือนฝาชามในตลาด หลับหูหลับตาปั้นชามแล้วจะไปโมโหท้องตลาดว่าไม่มีฝาขายให้มันก็ไม่เข้าท่าจริงไหมการแก้ก็ไม่มีจุดไหนเหมาะเท่ากับแก้ที่ความต้องการของเราเองเพราะเป็นสิ่งที่เราเองสร้างมันขึ้นส่วนสิ่งที่เราต้องการนั้นคนอื่นเป็นผู้สร้างและมีตั้งหลายสิบหลายร้อยคนการต้องการผ้าเช็ดหน้า ใจเดียวก็ต้องการเสร็จแต่ผ้าชุดหน้าหนึ่งผืนที่จะมาสนองความต้องการนั้นลองคิดดูสิว่าตั้งแต่มันเป็นเส้นได้กว่าจะมาถึงมือเรามันต้องพึ่งคนกี่สิบคนช่างปั่นได้ช่างฟอ้อช่างกรช่างทอช่างย้อมช่างเย็บและยังมีพวกยกพวกขนพวกหาบพวกหาม ตกเข้าไปเกือบร้อยคนนั่นแหละคือพวกสนองความต้องการให้เราเพียงแต่เรื่องผ้าเช็ดหน้าอื่นเดียวแล้วลองคิดดูสิว่าหมดทั้งตัวท่านเอาแต่เพียงขนาดนี้แหละของต่างๆ ต, ต, ต้องใช้คนทำและคนบริการเท่าไหร่อย่าลืมว่าแกงชามเดียวที่ท่านต้องการรับประทานนั้นท่านสร้างจากความต้องการอืดใจเดียวก็เสร็จว่า ฉันจะกินต้มยำอร่อยๆอแต่แม่ครัวต้องใช้เวลาหลายร้อยอึดใจเพื่อสนองความต้องการนี้และฝ่ายต้องการมักจะเป็นฝ่ายเอาเปรียบฝ่ายสนองอยู่เสมอบางทีแม่บ้านถามว่าพี่ขาวันนี้ต้องการจะทานอะไรพอเขาขอให้สร้างความต้องการพ่อเจ้าพระคุณก็เล่นตัว อะไรอะไรก็ได้แม่บ้านผู้ใจเย็นกลัวจะหาฝาชามมาไม่เข้ากับตัวชามอุตสะาซักอยากจะรู้ว่าผัวจะปั้นชามแบบไหนโถพี่บอกมาสักอย่างสิว่าต้องการจะทานอะไรฝ่ายปั้นชามถูกเร่งให้ออกแบบก็โมโหบอกแล้วว่าอะไรอะไรก็ได้ถามอยู่ได้ คนเราเป็นเสียอย่างนี้เขาอยากจะรู้หน่อยว่าจะปั้นชามแบบอะไรเท่านั้นก็มโหจะอย่างไรก็ตามเวลานี้นักผลิตวัตถุทั่วไปก้าวหน้าไปมากในเรื่องการสร้างความเหมาะสมเพื่อขจัดปัญหาต่างๆลงไปช่างออกแบบเขาก้มหน้าเขียนแบบบ้านแต่ใจเขาก็คำนึงไปด้วยว่า วัสดุในการก่อสร้างชนิดใดมีขายในท้องตลาดมีหรือไม่มีมีกี่ขนาดถูกแพงเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาก็ออกแบบให้พร้อมเหมาะที่จะหาซื้อวัตถุต่างๆมาก่อสร้างได้เท่านั้นไม่ใช่เขาจะหลับหูหลับตาเขียนเสาต้นหนึ่งให้สูงขึ้นไปตั้งหนึ่งกิโลเมตรโดยใช้ไม้ท่อนเดียวอย่างนี้ก็ตาย หรือผู้จ้างเขามีทุนอยู่เพียงพันบาทแต่ออกแบบสร้างตึกอย่างกับพระที่นั่งอ น, นันต์ก็เสร็จออกแบบรถก็คำนึงถึงขนาดถนนถึงลานบ้านที่จะสร้างโรงเก็บออกแบบเรือก็ต้องคำนึงถึงแม่น้ำลำคลองและท่าที่จะจอดแต่พวกออกแบบลาบมักจะล้าหลังอยู่มากไม่รู้ว่าติดอะไร คือชอบหลับหูหลับตาสร้างความต้องการให้ใหญ่โตโมโหรานจนใครๆสนองให้ไม่ได้เลยทุกทุกที่จะหาของสนองให้พอแล้วยังทุกแม้แต่จะหาที่เก็บความต้องการของตนเองความต้องการใหญ่เกินไปภาษาปรานเรียกว่ามหิฉาคือความต้องการใหญ่ตรงกันข้ามกับ อภิชาตาคือความต้องการเล็กคนที่มีมหิดฉาก็เหมือนคนปั้นชามใหญ่เกินขนาดจนหาฝาในท้องตลาดไม่ได้นั่นแหละมหิดฉานั้นมันไม่มีพ่อมีแม่มาจากอื่นเป็นเรื่องที่เราสร้างมันขึ้นเองสร้างใหญ่เกินไปมันก็ล้มทับคนสร้างแย่เลยเพราะฉะนั้น ยุบความต้องการลงเสียบ้างแล้วถ้าจะสร้างความต้องการขึ้นก็อย่าลืมชำเลืองดูว่าท้องตลาดโลกเขาจะมีฝาขายให้หรือไม่นี่เป็นคนแก้ทุกข์ที่เด็ดอีกคนหนึ่งตอนคนที่สามจงมีความพอใจเรื่องความพอใจนี้สำคัญนัก ถ้าพอใจก็สุขถ้าไม่พอใจก็ทุกข์คนเรามักจะทำความผิดพลาดในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยคือไม่พอใจในสิ่งที่ตนได้แต่ไปพอใจในอีกสิ่งหนึ่งที่ตนไม่ได้ดูถูกส่วนที่ตนได้แล้วไปชื่นชมกับส่วนของคนอื่นขอโทษเถอะคนประเภทนี้เข้าหลักที่ว่าเมียตัวไม่รัก ที่ยวาไปรักเมียคนอื่นมันเลยทุกข์ท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นคนที่ไปนิยมชมชอบความเป็นอยู่ของคนอื่นแล้วดูถูกตัวเองเห็นตัวเองเป็นคนอาภัพอับอาวสาสนานานาประการคนประเภทนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่เจอสุขทำอะไรก็ไม่พบสุขเพราะตัวเองเลื่อนสุขไปไว้เสียที่อื่นตกลงก็ทุกข์จนตาย ทีแรกก็รักคนพี่ครั้นพอได้คนพี่แล้วเกิดไปรักคนน้องเล่นเครื่อนที่หนีได้อย่างนี้เมื่อไหร่มันจึงจะสมรักการสร้างความสุขโดยวิธีสร้างความพอใจนี้เป็นเรื่องเส้นผมบังภูเขาแท้ๆที่ว่าพอใจพอใจคืออย่างไรคือความพอมันอยู่ในใจของเราเอง ใจที่มีความพออยู่ในตัวกับใจที่ไม่มีความพอต่างกันใจที่มีพอมีลักษณะเย็นเป็นพื้นอยู่แล้วไม่ใช่ได้ลาบจึงเย็นลาบที่ได้มาเพียงแต่มาเพิ่มความเย็นให้เท่านั้นได้มากก็เย็นได้น้อยก็เย็นส่วนใจที่ไม่พอมีลักษณะร้อนเป็นพื้น ยิ่งถ้าไม่ได้ลาบก็ยิ่งร้อนจัแม้ลาบที่ได้มาก็เพียงแต่มาบรรเทาความร้อนลงนิดหน่อยเสร็จแล้วความร้อนที่เป็นพื้นเดิมอยู่ในจิตก็เผาลาบนั้นให้เหี่ยมเกรียมไปด้วยที่ว่าความพอนั้นก็คือความเย็นที่เป็นพื้นอยู่ในใจและความไม่พอก็คือความร้อนที่เป็นพื้นอยู่ในใจแล้วนั่นเอง ข้าพเจ้าเกรงว่าบางท่านจะยังไม่เห็นจบแจ้งจึงขอเปรียบเทียบให้ชัดๆตีเสียว่ามีหม้ออยู่สองใบเป็นหม้อว่างๆเปล่าๆนี่แหละใบหนึ่งตั้งอยู่ที่พื้นเย็นๆเนื้อหม้อเย็นสนิทอีกใบหนึ่งตั้งอยู่บนเตาที่มีฐานคุแดงเนื้อหม้อร้อนจี๋หม้อสองใบนี้มีทุนเดิมอยู่ ในเนื้อในตัวของมันแล้วคือใบหนึ่งมีเย็นอยู่ในตัวอีกใบหนึ่งมีร้อนอยู่ในตัวทีนี้เราลองเอาน้ําเทลงไปในหม้อสองใบนี้สักใบละหนึ่งแก้วดูซิผลจะเกิดขึ้นอย่างไรหม้อที่เนื้อเย็นอยู่ก่อนแล้วจะได้ความชุ่มเย็นจากน้ำหนึ่งแก้วเต็ม100เอร์เซนเพิ่มความเย็นที่มีอยู่เดิม ให้เย็นสนิทขึ้นอีกส่วนหม้ออีกใบหนึ่งที่มีความร้อนอยู่ในเนื้อก่อนแล้วแม้ได้น้ำหนึ่งแก้วก็เพียงแต่ลดความร้อนลงนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้ความร้อนที่มีอยู่เดิมแล้วเผาน้ำหนึ่งถ้วยนั้นให้ร้อนเข้าร้อนเข้าจนแห้งงวดลงไปหมดแล้วมันเองก็ร้อนจี่ตามเคยใจของเราก็เหมือนกัน ใจที่มีความพออยู่ในตัวก็เหมือนหม้อที่มีความเย็นใจที่ไม่มีความพอก็เหมือนหม้อที่มีความร้อนลงได้เป็นคนไม่มีความพออยู่ในใจแล้วแม้ได้ลาบเท่าไห ร, ร่เท่าไหร่ก็ถูกความไม่พอเผาไหม้หมดจนได้คนเราลงได้ก่อไฟไว้รอบตัวแล้วก็ไม่มีหวังได้กินได้ใช้ของสดสดสวยสวย เพราะทุกสิ่งที่ผ่านมานั้นกว่าจะมาถึงตัวมันต้องผ่านเปลวไฟมาก่อนเป็นผักก็เหี่ยวเป็นดอกไม้ก็เฉาเป็นผ้าผ่อนก็เกรียมเพราะแกเล่นก่อไฟไว้รอบตัวคนที่สร้างความไม่พอไว้ล้อมใจตัวเองก็เหมือนกันนั่นแหละท่านทุกสิ่งที่ได้มาก็ถูกความไม่พอใจลวกลนเสียจนหมดสวยหมดเสน่ห์ ตำแหน่งที่เราครองอยู่นี้เมื่อมันยังไม่เป็นของเราก็ดูมันเพลิดพลิงไม่ใช่น้อยแต่ต่อมาเป็นของเราแล้วยังไงถึงได้อับอับชอบกลสู้ตำแหน่งของคนโน้นไม่ได้เมียเราคนนี้เมื่อเธอยังไม่เป็นของเราก็ดูมีเสน่ห์น่ารักน่าอินดูแต่พอมาเป็นของเราจริงดูมันสู้ลูกสาวบ้านโน้นไม่ได้ รถคันนี้เมื่อมันยังไม่ได้มาเป็นของเราก็ดูเก๋ดีแต่พอมาเป็นของเราจริงทำไมมันดูบุโลลงไปสู่คันของคนโน้นไม่ได้นี่แหละสมบัติของคนสร้างความไม่พอใจเวลรอบใจของดีๆสวยๆเป็นไม่ได้เจอกับเขาเพราะว่าพอสิ่งเหล่านั้นจะมาเป็นของเขาจริง ต้องผ่านความไม่พอใจเผาลนเสียสิ้นดีตำแหน่งเขาดีๆลูกสาวเขาสวยๆรถเขาเก๋ๆ ก, ก็หมดดีหมดสวยหมดเก๋เพราะถูกความไม่พอใจเผาลนเสียหมดขณะที่ผ่านมาเป็นของตนผมพูดมาตรงนี้อยากจะชี้ให้เห็นจุดแก้ทุกข์อีกจุดหนึ่งคือ การสร้างความพอใจขึ้นในใจลดความไม่พอออกจากใจเสียบ้างแล้วตำแหน่งท่านก็จะดีขึ้นเมียท่านก็จะสวยขึ้นบ้านท่านก็จะน่าอยู่ขึ้นทดลองดูสักนิดแล้วจะเห็นผลและพร้อมกันนี้ก็ต้องการจะแก้ความคิดความเห็นของบางท่านบางคนที่ยังไม่เข้าใจว่าการที่พระสอนให้มีสันโดษ คือมีความพอใจในของของตนเป็นการสอนผิดพลาดทำให้คนขาดความกระตือรือร้นที่จะสร้างตัวบางคนเลยว่าพระเอาจังๆว่าการที่พระสอนอย่างนี้เป็นการ่วงความเจริญของชาติซึ่งเป็นเรื่องของการไม่เข้าใจความมุ่งหมายของสันโดษแล้วรีบตีโพว่ตีภาย ที่จริงที่พระสอนให้มีสันโดษก็คือสอนให้ทาตัวเป็นคนมีความพอเป็นพื้นไว้ในใจอย่าเอาความไม่พอมาเผาหลนหัวใจตัวเองเท่ากับว่าท่านสอนว่าอย่าก่อไฟไว้รอบตัวเลยมันร้อนและมันทำให้ไม่ได้กินได้ใช้ของส ด, ส, ด ส, วสวยกับเขาเท่านั้นเองขอท่านผู้ปฏิบัติธรรม ได้โปรดตรองดูให้ดีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสันโดษก็เท่ากับพระองค์ทรงสอนให้คนทั้งเมืองยิ้มนั่นเองเพราะคนเราถ้าพอใจก็ยิ้มถ้าไม่พอใจก็คิ้วขมวดหน้าบึง้งแล้วอย่างนี้ยังจะค่อนขอดพระอีกหรือเราจะมีน้ำน้อยหรือน้ำมากไม่สำคัญ ระวังอย่าให้ตุ่มก้นร่วไว้ก่อนเป็นดียังมีอีกจุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าใครจะเน้นไว้ในคำอธิบายตอนนี้คือการสร้างความพอใจบางท่านเข้าใจว่าพอมันอยู่ที่ของที่ได้มาเท่านั้นแต่ความพอแท้ๆมันอยู่ที่ใจถ้าใจไม่รู้จักพอต่อให้เป็นพระจกักรพรรดิครองโลก ก็ไม่พออยู่นั่นเองโปรดอย่าลืมว่าการทำที่เก็บน้าใหญ่โตเกินไปมันทำให้เราต้องอดน้าได้สู้ทำที่เก็บเล็กๆไม่ได้ลองทำอ่างเก็บน้าใหญ่ๆราคาตั้งล้านเหมือนอย่างที่ทางการไปสร้างให้พระอีสานนั้นไว้และได้น้าอเทิลงไปเก็บในอ่างนั้นสักร้อยปีบดูสิ น้ำทั้งร้อยปีบจะไม่มีประโยชน์แก่ท่านเลยแต่ถ้าท่านทำตุ่มเล็กๆขนาดที่ชาวบ้านเขาใช้กันหลายๆใบแม้ได้น้ำมาขังเก็บไว้สักห้าปีบก็ยังได้ประโยชน์ครบถ้วนดีกว่าน้ำร้อยปีบที่เขาเทลงในอ่างมะึมมาการสร้างความพอขึ้นในใจให้มีขอบเขตพอประมาณแก่กำลังก็เหมือนสร้างที่เก็บน้ำให้พอเหมาะนั่นเอง ลาบที่ได้แม้น้อยก็สุขใจวิธีฝึกเมื่อท่านได้สิ่งใดจงนึกทันทีว่าดีหรือดีแล้วหรือว่าดีเหมือนกันให้นึกอย่างนี้ก่อนในทันทีที่ได้ส่วนการที่จะวินิจฉัยลงไปว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีกันแน่นั่นเอาไว้ลาดับต่อไป เมื่อเริ่มต้นดีไว้อย่างนี้จิตของเราประทักกับความทุกข์น้อยลงเหมือนเอาของนุ่มนิ่มรองรับตัวไว้ก่อนแม้กระเทือนก็ไม่เจ็บมากแล้วจะรบรากันอย่างไรค่อยว่าไปการต้อนรับอารมณ์โดยวิธีให้เกิดความน้อยใจเสียใจทันทีนั้นผมรู้สึกว่าไม่เป็นผลดีเหมือนเสียขวัญตั้งแต่แรกเจอหน้าเขาแล้ว ก็หวังแพ้แน่นอนคนที่ถูกความทุกข์บางอย่างทับถมใจแม้เหตุการณ์นั้นล่วงเลยไปหลายปีแล้วเช่นลูกตายไปสิบปีแม้หาฟังเทศฟังธรรมเท่าไหร่ทุกก็ไม่สางนั่นเนื่องมาจากการเสียขวัญอย่างแรงตอนแรกเผชิญกับอารมณ์เลยเสียกำลังใจตอนคนที่สี่ จงปรงอนิจจังโปรดทบทวนความจำตอนที่แสดงถึงทางมาของลาบผมได้ให้สูตรไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันอยู่เสมอการปรงอนิจจังก็คือการนึกและพิจารณาสูตรที่ว่านี้ให้ขึ้นใจในตอนนี้จะไม่บรรยายซ้ำในเชิงเหตุผลเพราะได้ว่ามาแล้วในตอนนั้น กล่าวถึงภาคปฏิบัติหรือวิธีใช้ทีเดียวทำอย่างนี้เมื่อสายตากระทบเข้ากับสิ่งใดที่ท่านนึกว่ามันเป็นสมบัติของท่านจงอย่าลืมนึกว่าสิ่งนี้มันกําลังหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันอยู่ทุกขณะจงนึกอย่างนี้ให้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งและบุคคลที่ท่านชอบ แม้ในขณะฟังปาฐ ก, ากถาอยู่นี้ท่านมองเห็นผมก็ควรนึกเสียด้วยว่ามหาปิน่นก็กำลังหมุนตัวไปสู่จุดสลายตัวของแกบางคนเข้าใจว่าการปรงอนิจังทำให้กลายเป็นคนตายด้านหรือใจมืนชาต่อความรู้สึกเลยเกรงว่าความสนุกเพลิดเพลินจะลดลงความจริงไม่ต้องกลัว ความตายด้านของจิตใจนั้นเป็นเรื่องของความประมาคคือความไม่มีสติแต่การปรองอนนีิจังเป็นเรื่องการสร้างสติรับรองว่าท่านจะไม่มืนชาต่ออารมณ์แต่อย่างใดเลยการขัดปรงอย่างนี้เป็นการเตรียมตัวเพื่อไปเชิญกับความจริงคือความแปลเปลี่ยนของสิ่งต่างๆอย่างดีที่สุด ทำให้จิตใจของผู้ฝึกขัดมีสภาพมั่นคงและหนักแน่นมีความหวั่นไหวน้อยเมื่อสิ่งต่างๆแปรสภาพไปพูดง่ายๆคือเมื่อมาประสบกับความเสื่อมลาบบางคนเห็นเขาแสดงความหนักแน่นได้ดีก็เลยจับเอาไปพูดว่าเขาเป็นคนตายด้านมืนชาต่ออารมณ์ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด และเพราะมัวบูชาความเข้าใจผิดอย่างนี้แหละถึงได้เกิดโรคฆ่าตัวตายเอาง่ายแม้กระทบกับความสูญเสียนิดนิดหน่อยหน่อยเท่าจอมปลวกแต่ต้องทุกเท่าเขาพระสมเณรที่ว่านี้ข้าพเจ้าไม่ได้มุ่งไปถึงการหลุดพ้นทุกอย่างสูงสุดที่เรียกว่านิพพาน แต่หมายถึงการแก้ปัญหาที่เป็นความทุกข์กระแสรายวันของคนชาว บ, บ้านอย่างเราๆท่านๆ น, นี่แหละทดลองดูก็ได้ว่าการโปร่งอ น, นิจจังจะเป็นเกราะป้องกันความทุกข์ได้จริงเพียงใดกลับจากฟังป้าจักรฐานี้แล้วลองแวะร้านเครื่องแก้วเลือกซื้อแก้วใบหนึ่งที่ท่านชอบใจพอชำระเงินแก่ผู้ขาย และแก้วอันน่ารักนั้นตกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราจงรีบบอกมันเสียว่านี่แกแกกำลังหมุนไปสู่จุดสลายตัวของแกนะเจอแก้วใบนี้ทีไรก็ให้นึกอย่างนี้เสมอครั้นอยู่ๆเกิดมีใครทาแก้วใบนั้นแตกเป็นลูกทำหรือคนใช้ทมก็ตามแล้วสังเกตดูความรู้สึกในใจสิจะเป็นอย่างไร ทุกมากไหมเปล่าพระแก้วแตกก็นึกแต่เพียงว่านึกแล้วหรือเพียงข้าบอกแล้วเท่านั้นเองแล้วก็สงบใจลงเร็วก็เรารู้แล้วนี่บางทีจะนึกชมตัวเองเสียด้วยซําว่าเราทายชะตาแก้วถูกเห็นไหมล่ะบอกว่าจะสลายตัวก็สลายจริงๆฮิ การปรงแบบนี้มีประโยชน์มากจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในคราวรเผชิญกับความเสื่อมลาภจะต้องฝึกล่วงหน้าไม่ใช่ว่าเห็นคนตายทีจึงจะชักอนิจจังกันทีไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งในกรณีที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใหญ่ๆเช่นเกี่ยวกับกรณีลูกตายเสียเมียตายจากเป็นต้น จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเป็นพิเศษทีเดียวเพราะเป็นอารมณ์ขนาดหนัก